คุณค่าและลักษณะพิเศษที่พึงสังเกตเกี่ยวกับนิพพานเรื่องที่สองนิพพานเป็นจุดหมายที่ทุกคนเข้าถึงได้ไม่จำกัดชาติชั้นหญิงชายบุคคลทุกคนเมื่อมีฉันทะเพียรพยายามมีความพร้อมแล้วก็สามารถบรรลุนิพพานได้ไม่มีข้อจำกัดว่าจะต้องเป็นคนชาติชั้นวั น, นะใดมีฐานะอย่างไร ยากจนมั่งมีเป็นหญิงหรือชายเป็นครหัดหรือบรรญัตชิตในอัจฉราสูตรสังยุตตานิายสขารมีพุทธภาษิตว่าทางนั้นชื่อว่าทางสายตรงทิศนั้นชื่อว่าทิศไม่มีภัยรถชื่อว่ารถไรเสียงประกอบด้วยล้อคือธรรมมีหิริเป็นฝามีสติเป็นเกราะกัน ธรรมรถนั้นเราบอกให้มีสัมมาทิตฐินำหน้าเป็นสารถีบุคคลใดมียานเช่นนี้จะเป็นสตรีหรือบุรุษก็ตามเขาย่อมใช้ยานนั้นขับไปถึงในสำนักแห่งนิพพานพระพุทธเจ้าทรงยินยอมให้สตรีบวชเป็นภิกษุณีทั้งที่สภาวะทางสังคมไม่อำานวยก็ด้วยเหตุผลที่ว่าหญิงบวชในธรรมวินัยแล้ว ก็สามารถประจักษ์แจ้งโลกุตรธรรมตั้งแต่โสดาปฏิผลถึงอรหัตผลได้เช่นเดียวกับชายครั้งหนึ่งพระโส ม, มาภิกษุณีเข้าไปนั่งพักอยู่ณโคนไม้ต้นหนึ่งในป่ามานประสงค์จะแกล้งหลอกจึงเข้ามากล่าวคาถาว่าสถานะที่ยากนักหนาจะฝ่าไปได้อันท่านผู้แสวงทั้งหลายจะพึงเข้าถึงสตรีมีปัญญาแค่สองนิ้วไม่ได้ผ่านพบหรอก พระเทเร น, นตอบว่าความเป็นหญิงจะเกี่ยวอะไรในเมื่อใจตั้งมั่นดีมีญาณเป็นไปอยู่แก่ผู้เห็นแจ้งทาถูกต้องผู้ใดยังมีความยึดถืออยู่ว่าเราเป็นหญิงหรือเราเป็นชายหรือยังมีความรู้สึกค้างใจอยู่ว่าเรามีเราเป็นมานจึงควรจะพูดกับเขาผู้นั้นในแง่ของความเป็นชาวบ้านและชาววัดหรือเครือหัดกับบรรพชิต ในสุภาษสูตรมัชฉิมานิกายมัชฉิมะปัญนาตก็มีพุทธพจน์ว่าเราไม่สรนเสริญการปฏิบัติผิดไม่ว่าของคฤหัสถ์หรือบรญญัชิตคฤหัสถ์ก็ดีบรรญัตชิตก็ดีปฏิบัติผิดแล้วเพราะข้อที่ปฏิบัติผิดนั้นเป็นเหตุย่อมไม่เป็นผู้ยังกุศลธรรมที่เป็นทางรอดผลให้สําเร็จได้เราสรนเสริญสัมมาปฏิบัติคือการปฏิบัติชอบ ไม่ว่าของคฤหัสถ์หรือบรญประชิตคฤหัสถ์ก็ดีบรญประชิตก็ดีปฏิบัติถูกแล้วเพราะข้อที่ปฏิบัติถูกต้องนั้นเป็นเหตุย่อมเป็นผู้ยังกุศลธรรมที่เป็นทางรอดพ้นให้สําเร็จได้และมีพู้ต่อพดในกีฬายนัสูตรสังยุตติกายมหาวาระวักตรัสถึงความดุดพ้นของคฤหัสถ์กับบรญประชิตว่าเราไม่กล่าวว่ามีความแตกต่างอะไรเลยระหว่างอุบาสก ผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วอย่างนี้กับภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วตลอดร้อยปีคือวิมุตติกับวิมุตตเหมือนกันเรื่องชาติชั้นวันนะนับว่าเป็นปัญหาใหญ่ในชุมพูทวีปจึงมีพุทธพจน์ตรัสย้ำเรื่องนี้บ่อยๆดังตัวอย่างเรื่องหนึ่งในเอสุการีสูตรมัชฌิมานิกายมัชฌิมปัญ น, นาตเป็นคำสนทนาระหว่างพระพุทธเจ้ากับพรามชื่อเอสุการี คัดมาบางตอนดังนี้เอสุการีพราหมณ์ทูลถามว่าท่านพระกกดมผู้เจริญพราหม์ทั้งหลายบัญญัติทรัพย์ไว้สี่อย่างคือบัญญัติการพิขาจารให้เป็นซั์ประจําตัวของพราหมณ์บัญญัติธนูกับแล่งให้เป็นทรัพย์ประจําตัวของกษัตริย์บัญญัติกสิกรรมและการเลี้ยงโคให้เป็นทรัพย์ประจํตญญตตะาจตัวของผู้ที่เกิดจากตระกูลแพทย์บัญญัติเคียวและไม้คาน ให้เป็นรับประจําตัวของผู้เกิดจากตระกูลสูตรพราหม์ทั้งหลายบัญญัติรั์ไว้สี่อย่างดังนี้ท่านปัะโคโดมผู้เจริญจะตรัสว่ากไกรในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าตรัสถามกลับว่าแน่พราหม์ชาวโลกทั้งหมดพร้อมใจกันอนุญาตข้อตกลงนี้ไว้แก่พราหม์ทั้งหลายว่าขอพราหม์ทั้งหลายจงบัญญัติซับสี่ประการเหล่านี้เถิดดังนี้หรือพราหมก์กราบทูลว่า ไม่ใช่ฉช่นนั้นท่านพระโคโดมพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าแน่พรามเปรียบเหมือนบุรุษยากไร้ไม่มีอะไรเป็นของตนเป็นผู้ขัดสนคนพวกหนึ่งเอาก้อนเนื้อขึ้นแขวนให้แก่เขาผู้ไม่มีความปรารถนาเลยโดยบอกว่านี่แนี่พ่อมหาจำเริญเธอกินเนื้อนี้เสียและจ่ายเงินค่าเนื้อมาดังนี้ฉันใด พวกพรามก็ฉันนั้นย่อมบัญญัติรับสี่อย่างเหล่านี้แก่สมณพรามทั้งหลายเหล่านั้นโดยไม่ได้รับความยินยอมนี่แน่พรามเราย่อมบัญญัติอริยโลกุตระธรรมว่าเป็นทรั์ประจำตัวของคนทุกคนแน่พรามท่านจะเห็นเป็นประการใดสมมติว่าคัตติยราชผู้ได้รับมูรธาพิเศษแล้ว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 จากตะกูลช่างสารจากตะกูลช่างรถจากตะกูลคนเทขยะเอาไม้รางสุนัขไม้รางสุกรไม้รางยอมผ้าไม้ละหุงมาทำเป็นไม้สีไฟก่อขึ้นให้มีความร้อนปรากฏไม่มีเปลวไม่มีสีไม่มีแสงไม่สามารถใช้ทากิจที่พึงทําด้วยไฟได้อย่างนั้นหรือพรามกราบถูดว่าไม่ใช่เช่นนั้นท่านพระโกดมผู้เจริญไฟทั้งหมดนั่นแหละ มีเปลวมีสีมีแสงและไฟทั้งหมดใช้ทากิจที่พึงทาด้วยไฟได้พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าฉันนั้นเหมือนกันแล่ท่านพรามบุคคลแม้หากออกหมดเป็นอนาคาริจากตระกูลกษัตริย์และเขาอาศัยธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิก็ย่อมเป็นผู้ยังกุศลธรรมที่เป็นทางรอดพ้นให้สาเร็จได้